ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคคยหนึ่งร่างกายสองจิตใจแต่เราเห็นเพียงส่วนเดียวเราเห็นเพียงร่างกายเราไม่เห็นจิตใจเราไม่รู้จักจิตใจว่าเป็นคนละส่วนกับร่างกาย เราจึงเมาคิดไปว่าจิตใจกับร่างกายเป็นส่วนเดียวกันอยู่ที่เดียวกันจิตใจอยู่ในร่างกายเวลาร่างกายตายจิตใจก็ตายไปกับร่างกายตายแล้วศูนตายแล้วจบบุญบาปที่ทำไว้ ก็จบลงที่ความตายเพราะเราดูที่กฎหมายทำผิดกฎหมายถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้ายังไม่หมดอายุคดีความเขาก็ยังจับเราไปลงโทษได้อยู่จับร่างกายไปลงโทษได้อยู่แต่พอร่างกายตายไปแล้วเขาก็ไม่จับไปลงโทษอีกต่อไป ไม่มีใครจับศพไปขังไว้ในคุกในตารางถ้าเป็นศพเขาก็ส่งไปให้วัดเขาไม่ส่งไปที่คุกไปให้ไปขึ้นศาลไปตัดสินคดีความพวกเราก็เลยคิดว่าตายแล้วสูญกันความดีความชั่วก็จบลงที่ความตายนี่คือ ความคิดของพวกเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของผู้ตัดสืบความจริงคือพระพุทธเจ้าเนี่ยการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าตัดสู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนสองคนมาเกาะติดกันเหมือนกับแฝดสยามแฝดสยามนี่ เป็นคนสองคนแต่ร่างกายมาติดกันที่ด้านข้างของร่างกายมีแขนมีขาเหมือนกันแต่มาติดกันเหมือนกับปลาท้องโง่จิตใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนปลาท้องโง่เพียงแต่ว่าจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเลยทําให้เรา ไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งคิดว่าเป็นคนเดียวกับเป็นร่างกายเราเลยไม่ได้ดูแลจิตใจเรามาดูแลเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวจิตใจของเราเลยไม่ได้รับการดูแลจิตใจที่ไม่ได้รับการดูแลก็จะเป็นจิตใจที่ว้าวุ่น ใจิตใจที่ไม่สบายอยู่เรื่อยๆทำไมพวกเราจรึงต้องมีความไม่สบายอกไม่สบายใจกันอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เราดูแลร่างกายดีแสนดีหาอาหารให้มันมารับประทานหาเสื้อผ้าให้มันใสหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคอะไรต่างๆมาดูแลร่างกายร<ๆ>่างกายสบายแต่ทาไมใจิตใจไม่สบาย ทำไมจิตใจต้องวุ่นวายต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนีออ้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลจิตใจนั่นเองเรามัวแต่ไปดูร่างกายเพียงอย่างเดียวจิตใจเราไม่ได้ดูแลนอกจากไม่ดูแลแล้วเรายัางไป ทำลายจิตใจเนี่ยทำให้จิตใจเราทุกข์เนี่ยไม่ใช่ใครทำให้จิตใจเราทุกข์เนี่ยเราทำให้จิตใจเราทุกข์เองด้วยการไปรักร่างกายมากกว่ารักจิตใจเนี่ยตอนนี้ทุกข์กับโลกระบาดแล้วมั้ยไปไหนนี่ใสหน้ากากกันเต็ไมไปหมดเนสายแล้วคิดว่ามันไม่ตายเลวถ้ามันจะตาย ไม่ใส่ก็ตายใส่ก็ตายเพียงแต่ว่าตายช้าหรือตายเร็วตายก่อนหรือตายหลังเท่านั้นเองร่างกายนี้มันต้องตายด้วยกันทุกคนจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดมันก็ต้องตายแต่เราไม่ใช้เหตุผลไม่ใช้ความคิดกันเราคิดอย่างเดียวว่าจะต้องดูแลร่างกายนี้ให้สุดให้สุดสุดเลยให้ ให้มันอยู่ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังอยากไม่ให้มันแก่เสียด้วยซ้ําไปมีการไปทำหนุ่มทำสาวกันอยู่เรื่อยๆมีการไปทำเผ่าทำผมกันอยู่เพื่อทำให้มันไม่แก่แต่ทำยังไงมันก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความตายไปได้ แต่การไปดูแลร่างกายเกินความจำเป็นเนี่ยมันไปทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยเดี่ยวความไม่สบายใจของพวกเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไปห่วงไปกังวลเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปเกินขอบเขตของความจริงของร่างกาย ความจริงของร่างกายก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรานี่พยายามที่จะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายการพยายามดูแลรักษาร่างกายมากเกินความจำเป็นนี้มันเลยไปสร้างความไม่สบายใจให้กับใจพอมีข่าวโรคระบาดขึ้นมานี่อยู่เมืองจีนมันงไกลบ้านเราขนาดไหน แต่ใจของเราพวกนี้สั่นไปกันซะแล้ววุ่นวายกันไปนซะแล้วไม่สบายกันไปแล้วนี่ร่างกายยังไม่ทันไม่สบายเลยแต่ใจไม่สบายไปก่อนเสแล้วนั่นแหละก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีดูแลทั้งสองส่วนให้มันสบายทั้งสองส่วนร่างกายก็ดูแลให้มันสบายได้ แล้วก็ไม่ให้มันมาทำให้จิตใจเราไม่สบายได้ด้วยแต่เราไม่รู้ไงไม่รู้ว่าวิธีรักษาทั้งสองสิ่งนี้ให้มันสบายทั้งสองสิ่งนี้รักษาอย่างไรเพราะเราไม่รู้วิธีรักษาใจเราไม่รู้ว่าใจนั้นเป็นคนละส่วนกับร่างกายเรามักจะคิดว่าถ้าเรารัก รักษาร่างกายให้ดีแล้วใจจะดีตามไปด้วยมันก็ดีในระดับหนึ่งเวลาหิวข้าวถ้าเวลาร่างกายหิวใจมันก็ไม่สบายเป็นกับความหิวของร่างกายพอได้กินข้าวอิ่มแล้วร่างกายก็สบายใจก็สบายถ้าเรารู้จักวิธีดูแลร่างกายแบบไม่ให้ไปกระทบกับใจ ใจก็จะสบายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราไปเลี้ยงดูร่างกายเกินขอบเขตมันก็จะไปสร้างความไม่สบายใจให้กับใจได้เช่น <c oughs> เราจะต้อง <c oughs> ไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> พอเราไปตั้งเป้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ใจเราเครียดขึ้นมา พอมีอะไรที่เราคิดว่าจะมาทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ร่างกายยังไม่ทันเจ็บเลยใจเจ็บไปก่อนนะใจไม่สบายไปก่อนนะเพราอกลัวว่าจะไม่สามารถป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้อันนี้คือเรื่องของ ชีวิตของพวกเราที่มีอยู่สองส่วนที่พวกเราควรจะมาศึกษาทำความเข้าใจว่าส่วนไหนสาคัญกว่ากันส่วนไหนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรักษามากกว่ากันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสาคัญยิ่งกว่าร่างกาย สำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่เรามีเป็นสมบัติเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสารเสริญหรือบุคคลต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นลูกเป็นหลาน สิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราเพราะว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นที่ใจของพวกเราหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นที่ใจของพวกเรานี้มันมีความสุขมีความทุกข์มากกว่าความสุขความทุกข์ที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆ จากบุคคลต่างๆจากร่างกายของพวกเราและสิ่งต่างๆที่พวกเรามีความสัมพันธ์ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันจากกันไปต่อให้เราพยายามดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคนอื่นหรือร่างกายของพวกเราเนี่ยมันก็จะต้องมีวันจบลงไปคือมันจะต้องตายไป น, น, นี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เป็นสมที่เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของพวกเราสมบัติอีกชิ้นหนึ่งของพวกเราก็คือใจนี่ใจนี้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าร่างกายเพราะหนึ่งใจนี้ไม่มีวันตายถ้าเรารักษาใจให้มีความสุขความสุขก็จะอยู่กับใจไปเรื่อ ย, อยในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปรักษาร่างกายให้มีความสุขความสุขทางร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดลงไปเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อร่างกายตายไปความสุขที่เราหาให้กับร่างกายมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดลงแต่ความสุขที่เราหาให้กับจิตใจของเรนี้มันไม่มีวันหมดเพราะจิตใจมันไม่มีวันตายความสุขที่หาได้ที่เราเก็บไว้ในใจมันก็จะอยู่กับในใจของเราไปเรื่อยๆถ้ามัน ถ้ามันจะหมดเราก็เติมได้แต่ความสุขทางร่างกายเวลาร่างกายมันจบมันเติมความสุขให้กับร่างกายไม่ได้เวลาร่างกายตายไปแล้วนี้เติมความสุขให้กับร่างกายไม่ได้แต่ใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายความสุขที่เราหาให้กับใจนี้ก็มีอยู่สองเราดับด้วยกัน ระดับชั่วคราวกับระดับถาวรถ้าเรายังไม่ได้ระดับถาวรเราก็หามาเติมแบบระดับชั่วคราวไปก่อนแล้วต่อไปถ้าเรารู้จักวิธีรักษาความสุขแบบถาวรได้เราก็จะมีความสุขแบบถาวร ความสุขแบบถาวร น, นี้ก็คือความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันตสาวกท่า น, นมีความสุขทางใจแบบถาวรคือไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมด น, น, นี่คือความสำคัญของใจที่มีความสำคัญมากกว่าความสำคัญของร่างกาย แต่เนื่องจากเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เราก็เลยไปให้ความสําคัญกับร่างกายมากกว่าให้ความสําคัญกับใจของพวกเราเราก็เลยต้องเจอความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางใจทางร่างกายก็คือมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องทุกข์เนี่ยไม่ว่าเราจะเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ตาม เลี้ยงดูแบบมหาเศรษฐีเลี้ยงดูแบบพระเจ้าแผ่นดินร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ใจนี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราเลี้ยงดูใจให้มันสุขมันก็จะสุขไปเรื่อยๆแล้วจะสุขแบบถาบอนตามลำดับต่อไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาเปลี่ยนวิธีดูแลสมบัติสองส่วนนี้คือดูแลสมบัติร่างกายตามตามอัตภาพตามความต้องการของร่างกายแล้ว เ, เอาเวลาส่วนใหญ่นี้มาดูแลจิตใจกันดีกว่ามาดูแลรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ มาดูแลจิตใจให้มีแต่ความสุขดีกว่าร่างกายดูแลมันเท่าที่จะเป็นดูแลมันเฉพาะที่มันขาดแคลนร่างกายขาดแคลนอะไรถ้าร่างกายขาดแคลนปัจจัยสี่ร่างกายก็จะไม่สบายถ้าไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวก็ต้องไม่สบาย ออยากมากมาก็เดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ไม่มีเสื้อผ้าไว้ใส่ไว้ป้องกันภัยที่มากระทบทางร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้อากาศหนาวเย็นและไม่มีเสื้อผ้าที่หนาหน า, น า, นานไว้สวมใส่ก็จะเป็นไข้ขึ้นม า, า จ, จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆร่างกายก็อาจจะ เ, เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถูกทาผู้อื่นทำร้ายได้ไม่ถูกสัตว์ก็ถูกคนที่เป็นใจสัตว์มาทำร้ายเราเลยต้องมีปัจจัยสี่กันคือต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรค มีที่อยู่อาศัยถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบแล้วร่างกายก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆแล้วก็ปัจจัยสีน่นี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนมันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันปัจจัยสี่ระดับคนธรรมดาระดับเศรษฐีระดับพระเจ้าแผ่นดิน มันก็ดูแลร่างกายได้เหมือนกันงั้นเราอยู่ในระดับไหนเราก็ดูแลในระดับของเราไปก็พอไม่ต้องไปคิดว่าถ้าเราดูแลในระดับที่สูงกว่านี้แล้วมันจะทำให้ร่างกายมันดีกว่านี้มันไม่ดีกว่าหรอกมันเท่าเดิมมันไม่เจ็บไายได้ป่วยเหมือนกันมันไม่หิวเหมือนกัน กินอาหารระดับคนธรรมดากินกับกินอาหารของพระเจ้าแผ่นดินกินมันก็อิ่มเหมือนกันร่างกายก็อิ่มร่างกายก็ไม่หิวเหมือนกันเหตนี้เรื่องของร่างกายนี้ก็ให้รักษาไปดูแลไปแบบให้มันพอเพียงแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังสอนให้เลี้ยงดูร่างกายแบบพอเพียง รัชการที่9้าวท่านก็สอนเศรษฐกิจพอเพียงนะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้มีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายของเราปัญหาของร่างกายก็จบหมดไม่มีปัญหาตามมานอกจากปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ที่กันไม่ได้เช่นโครคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นร่างกายของระดับไหนก็ตาม เลี้ยงดูให้มันดีในระดับไหนก็ตามมันก็ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันมันก็ต้องแก่เหมือนกันและมันก็ต้องตายเหมือนกันนนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาถ้าเราอยากจะรักษาใจของพวกเราให้สบายไม่ให้ใจเราเครียดไม่ให้ใจเราทุกข์เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจว่าเนี่ย ส่วนของร่างกายเราต้องเลี้ยงดูมันอย่างไรแล้วส่วนของใจที่เราต้องเลี้ยงดูอย่างไรถึงจะทำให้ใจของเราไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายขั้นแรกก็เกี่ยวกับการมาเลี้ยงดูร่างกายนี้การเลี้ยงดูร่างกายแบบไม่มีขอบเขตมันก็ไปสร้างความเครียดสร้างความไม่สบายใจให้กับใจได้ดังนั้นเราต้องป้องกันใจของเรา ไม่ให้ถูกกระทบจากการที่เรามาเลี้ยงดูร่างกายคือเราเลี้ยงไปตามอัตภาพเลี้ยงไปตามกำลังของเราตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ใช้หลักของมากน้อยสันโดษดนีเ่เลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษคือให้มีเท่าที่จำเป็นคำว่ามากน้อยก็คือให้มีเท่าตีจำเป็นไม่ต้องมีมาก เกินความจำเป็นไม่ว่าด้วยปริมาณหรือคุณภาพหรือราคาก็ตามมันไม่สาคัญสาคัญที่ว่ามันพอเพียงหรือไม่มันนำํำมันทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ทุกข์ได้หรือไม่เท่านั้นจะรักษาแบบถ้าพยายามไปรักษาเกินกาลังของตน มันก็จะไปสร้างความเครียดให้กับใจเช่นเรามีรายได้น้อยแล้วเราใช้เงินทองไปกับการดูแลร่างกายมากกว่าที่เรามีรายได้มันก็จะทำให้เราไปเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาหรือเงินทองไม่พอใช้แล้วอาจจะไปบีบให้เราต้องไปหาเงินหาทองโดยวิธีไม่ชอบก็ได้ แลการไปหาเงินทองโดยวิธีมิชอบมันก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองเวลาเราทำผิดกฎหมายทำบาปใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกนีดังนั้นเราต้องมาศึกษาวิธีที่จะรักษาทั้งร่างกายและรักษาทั้งใจให้อยู่อย่างสุขสบาย ทางร่างกายพระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้หลักมักน้อยสันโดษเอาเท่าที่จําเป็นเสื้อผ้าต้องมีกี่ชุดเนี่ยต้องเราเราตรวจสอบได้เนี่ว่าเสื้อผ้าเราต้องใช้จริงๆกี่ชุดเนี่ยก็เอาอย่าอย่าให้มันมากเกินนั้นไปสิอย่างพระนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าใช้สามผืนก็พอหนึ่งชุดทุกองค์วัดนี่ท่านสอนให้ใช้ผ้า หนึ่งสำหรับหนึ่งชุดหนึ่งไตรหนึ่งใจนี้จะเป็นเหมือนสูตรนะเสื้อผ้าชุดสบายใหม่ไม่สูตรก็จะมีกางเกงตัวหนึ่งเสื้อขาวตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อนอกตัวหนึ่งหนึ่งชุดแถมเนกไทหนึ่งเส้นอันนี้ก็พอเพียงละไปไหนได้ทุกแข่งทุกขนละถ้ามีสูตรนี่ไปไหนไปได้หมดละผ้าก็เหมือนกันเนี่ยพระนีไปไหนก็มีหนึ่งสูตรเนี่ย ไปงานศพก็ใส่สูตรเดียวไปงานแต่งงานก็ไปใส่สูตรเดียวไปที่ไหนมาไหนใส่สูุดเดียวเท่านั้นพอนั่นแหละคือความนักน้อยของของพระเป็นอย่างนี้แล้วคุณภาพของผ้าที่ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผ้าผ้าไหมผ้าแพ พาออกมาจากโรงงานหรือผ้าสั่งมาจากเมืองนอกเมืองนาผ้าของพระนี้่หาท่านบอกว่าหาที่มันหาได้ง่ายที่สุดเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าผ้าที่หาง่ายที่สุดก็คือผ้าห่อศพเนี่ยเรียกว่าผ้าบางสกุลเนี่ยพระท่านใช้ผ้าบังสกุลกันไปเก็บผ้าห่อศพที่มันศพมันกลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วก็ ก็เก็บผ้านั้นมาซักมาต้มเอาน้ำเลือดน้ำหนองที่ติดผ้านั้นนั่นมันออกไปแล้วก็เอามาย้อมด้วยน้ำต้มด้วยแก่นไม้เป็นผ้าสีกา ส, สาวพัดขึ้นมาผ้าสีเหลืองๆสมัยก่อนย้อมด้วยผ้าที่น้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้สมัยนี้ผ้าป่าท่านก็ยังนิยมใช้อยู่ท่านก็ยังต้มต้มแก่นไม้แล้วเอามาย้อมผ้า ฉันใช้แก่นขนุนต้นขนุนเนี่ยฉันจะเอามาตัดมามาตัดแล้วก็เอามาต้มใส่น้ําไว้แล้วเวลาจะซักผ้าก็ซักผ้าด้วยน้ําร้อนเพราะสมัยก่อนไม่มีแฟบไม่มีสบู่สมัยโบราณเขาใช้ซักผ้าด้วยการต้มนด้วยการต้มต้มน้ําให้มันร้อนแล้วก็ใช้น้าร้อนนี่ซักเนี่ แล้วก็เอาน้ำนี่ต้มด้วยกันไม้จะได้มีสีเหลืองเป็นนี่คือผ้าชนิดผ้าก็ให้หาแบบที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุดคือของฟรีเนะี่ยดีที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปหาเงินหาทองซื้อกันแต่ทำไมชอบซื้อของแพงๆกันทั้งๆที่มันก็เป็นเสื้อเหมือนกันกางเกงก็กางเกงเหมือนกัน แต่ถ้ามันไม่มีติดยี่ห้อแล้วรู้สึกว่ามันมันใช้ไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่าไปติดป้ายว่าเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันก็เลยกลายเป็นของมีราคาแพงขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้ต้องไปเครียดกับการหาเงินหาทองเนี่ยมาใช้เนี่ยความเครียดก็คือความไม่สบายใจเหละความทุกข์ใจเกิดจากการที่เรา ดูแลร่างกายเกินขอบเขตเกินฐานะเกินความจำเป็นถ้าเราใช้แบบมากน้อยสันโดษนี้เราจะไม่เครียดกับการเลี้ยงดูร่างกายไม่เครียดกับการที่จะต้องไปหาเงินทองมามากๆเพราะเสื้อผ้าเราอาจจะมีแค่สามสี่ชุดก็พอแล้วชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซัก ชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อว่าไหนซักแล้วมันยังไม่แห้งเนี่ยมีสองสามชุดสามสี่ชุดนี่ก็พอแล้วรองเท้าก็มีคู่เดียวก็พอมีเท้าเท้าก็มีอยู่คู่เดียวทําไมรองเท้าต้องมีหลายคู่เวลาใส่ใส่กี่คู่เวลาใส่ก็ใส่คู่เดียวแล้วทําไมต้องมีหลายคู่ด้วยเนี่ยพานี่มีก็รองเท้าคู่เดียวนะ รองเท้าแตะใส่สบายถุงเท้าก็ไม่ต้องใช้นี่คือความมักน้อยสันโดษมันจะทาให้ใจสบายมันไม่มากดดันให้ใจต้องไปดิ้นลนหาของต่างๆมาใช้กับร่างกายโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่ได้เท่ากันใช้แบบมักน้อยสันโดษกับใช้แบบหรูหราช่วยใช้แบบฟุ่มเฟือย ประโยชน์คือการเลี้ยงดูร่างกายนี้เหมือนกันแล้วก็ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เหมือนกันใช้ของหรูหราใช้ของฟุ่มเฟือยร่างกายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันใช้ของธรรมดาไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหรามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ตัวที่รับภาระคือใครละ่ะก็ใจเนี่ละใจนี่จะต้องเหน็ดเหนื่อย กับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของเกินความจำเป็นเนี่ยเลยไม่มีเวลาที่จะมารักษาใจไม่มรีรักษาใจแล้วยังมาสร้างความเครียดสร้างความไม่สบายให้กับใจอีกถ้าไม่รู้จักเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษไม่เชื่อลองไปทำดูสิลองไปปรับดูรับรองได้ว่าจะสบายใจขึ้นเงินทองจะมีเหลือใช้มากขึ้น ตอนนี้สำรวจเรื่องเสื้อผ้าก่อนก็ได้ว่าตอนนี้พอใช้หรือยังถ้าพอเราก็ต่อไปนี้ห้ามซื้อโดยเด็ดขาดประหยัดเงินไปเท่าไหร่แล้วห้ามซื้อเสื้อผ้านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเดินไปตามห้างเดี๋ยวเห็นชุดนั้นชุดนี้อยากซื้ออีกแล้วซื้อแล้วคิดว่ามันจะมีความสุขมันก็สุขตอนที่ได้มาใหม่ๆทั้งนะั้น พ อ, อกลับมาบ้านใส่หนเดียวดีไม่ดีไม่ชอบใะ่ไหมเก็บใส่ตู้ไม่มีวันใส่มันอีกต่อไปเ mm hmm. พราะมันไม่เสริมบุ ค, คลิกใส่แล้วรู้สึกทำให้เฉยไม่อยากจะใส่แลย mm hmm. เอาไปคืนร้านก็ไม่ได้ร้านเขาก็ไม่รับคืน mm hmm. ก็เลยเก็บไว้ในตู้ mm hmm. บ้านเลยเต็มไปด้วยเสื้อผ้า mm hmm. เต็มไปหมด mm hmm. เดี๋ยวไปเดิน ห้างใหม่เห็นชุดใหม่อยากได้ขึ้นมาใหม่ก็เวลาลองที่ร้างก็ดูเสริมดีพอมาใส่จริงๆอ่ะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดจะแล้วนะงั้นอย่าใช้อารมณ์ซื้อเขาอย่าใช้อารมณ์ซื้อปัจจัยสิให้ใช้เหตุผลซื้อปัจจัยสิแล้วเราจะทําให้ใจเราสบายขึ้นเยอะใจเราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วุ่นวาย คือจะน้อยลงยังมันยังมีเรื่องอื่นที่ทำให้เราวุ่นวายอยู่ยังเครียดอยู่แต่อย่างน้อยที่สุดเรื่องเรื่องพื้นฐานก็คือเรื่องปัจจัยสีน่นี่ขอให้เราหันมาใช้เหตุผลกันดีกว่าอย่าใช้อารมณ์อาหารก็อาหารธรรมดามันก็มาจากตลาดเดียวกับอาหารที่มาขายตามร้านอาหารหรูหราหรือตามโรงแรมมันก็ไปซื้อมาที่ตลาดเดียวกันนาะใช่ไหม ซื้อผักก็มาจากตลาดเดียวกันซื้อเนื้อก็เหมือนกันราคาก็เหมือนกันแต่เวลามาขายมันขายต่างกนะันเวลาขายข้างถนนราคาหนึ่งเวลาขายในในร้านที่มีเครื่องปรับอากาศนี้กลายเป็นอีกลาคาหนึ่งเราไม่ได้เสียค่าละค่าอาหารนะั้นเราเสียค่าบริการเพิ่มเราเสียค่าบรรยากาศเขาจัดบรรยากาศหรูหราให้เราได้ไปนั่งกินนั้นนั่นเอง แต่อาหารที่เรากินเหมือนกันอาหารที่อยู่ข้างถนนขายตามร้านข้างถนนหรือว่าขายตามห้างตามโรงแรมมันเป็นอาหารชนิดเดียวกันทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายของเราได้เหมือนกันนั้นอย่าไปหลงกับเรื่องของบรรยากาศเรื่องของความหรูหราเพราะมันจะไปทำให้ใจเราต้องแบกภาระโดยใช่เหตุต้องแบกภาระในการหาเงินมา สนับสนุนวิธีการเลี้ยงดูร่างกายแบบนี้นี่คือลองทำดูเสร็จลองไปสำรวจเปลี่ยนวิธีดูต่อไปนี้จะไม่กินอาหารตามร้านหรูหรา น, นอกจากนานานทีมีวันสำคัญวันเกิดวันอะไรก็เอาสักครั้งหนึ่งแต่วันธรรมดาเนี่ยข้างถนนนี่สะดวกที่สุดจอดรถปุ๊บก็สั่งกินได้เลย กินเสร็จก็อิ่มเหมือนกันไปกินในโรงแรมไปกินในร้านอาหารหรูหราไปกินข้างถนนมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าตอนนี้พอมีพอใช้หรือย่างถ้าพอแล้วก็ห้ามซื้อโดยเด็ดขาดจะซื้อก็ต่อเมื่อมันไม่พอใช้แล้ว ซ, ซื้อเฉพาะสิ่งที่ไม่พอส่วนไหนไม่พอเช่นตัวนี้ขาดแล้วต้องต้องเอามาเปลี่ยนก็ซื้อมาได้ แต่ถ้ายังไม่ขาดยังใช้ได้อยู่ใช้มันไปเถิดถ้าเราอยากจะให้เราสบายใจทุกวันนี้เราไม่สบายใจโดยที่เราไม่รู้สาเหตุกันสาเหตุก็มาอยู่ที่การใช้เงินใช้ทองของเรานีส่วนหนึ่งใช้เงินแบบแบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้เงินตามอารมณ์เห็นอะไรอยากได้ก็ต้องซื้อทันทีเพราะถ้าไม่ได้ซื้อแล้ว จะไม่สบายใจแต่ความไม่สบายใจแบบนี้มันเป็นความไม่สบายใจปลอมมันจะพาให้เราไปเจอความไม่สบายใจจริงเราต้องทนกับความไม่สบายใจปลอมดีกว่ามันอยากจะซื้อเราบอกดูเหตุผลแล้วไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็ไม่ซื้อมันเดี๋ยวต่อไปพอเราไม่ซื้อ ม, มันความอยากซื้อมันก็จะหายไปเอง แล้วต่อไปมันจะไม่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราแล้วเราจะสบายใจเพราะเรามีเงินทองเก็บไว้ในกระเป๋าเงินทองในกระเป๋าดีกว่าเงินทองที่กลายไปเป็นเสื้อผ้าเวลาต้องการเงินทองเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเป็นเงินทองมันได้ไม่มากนะได้นิดเดียวแต่เวลาเอาเงินทองไปเปลี่ยนเสื้อผ้านี้มันต้องใช้มากนะ <g iven> คิดดูสิว่าเราจะจะ จะรักษาเงินทองหรือไม่รักษาเงินทองเงินมีเงินทองอยู่ในกระเป๋ามันสบายกว่ามีเสื้อผ้าอยู่ในตู้เนยะเวลาต้องใช้กับเรื่องอะไรนี่เงินทองยังเอาไปใช้ได้ทันทีแต่ถ้าต้องเอาเสื้อผ้าไปขายนี่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าแล้วเงินทองที่จะได้จากการขายเสื้อผ้ามันก็จะได้ไม่มากเพราะมันเป็นของเก่าแล้ว ถึงแม้ซื้อมาเพียงวันเดียวเขาก็ถือว่าเป็นของเก่าแล้วพอเราไปขายคืนนี่เขาไม่เขาเขาไม่ให้ราคาเต็ ม, มดีไม่ดีเขาไม่ยอมรับซื้อซ้ําไป อ, อดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เราสบายใจนะลดภาระความกดดันความไม่สบายใจถ้าเราต้องการดดูแลใจของเราให้ไม่ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจ ให้ใจเรามีความสุขเนี่ยเบื้องต้นก็ให้เราหยุดใช้เงินใช้ทองแบบผู้แบบแบบฟุ่มเฟือยแบบไม่จําเป็นเก็บเงินรักษาเงินทองไว้ดีกว่ามีเงินทองแล้วมันอบอุ่นใจสบายใจกว่าไม่มีเงินทองในเมื่อเรามีของพอเพียงแล้วเราซื้อมาทําไมซื้อมาแล้วทําให้เราไม่มีความมั่นคงในเงินทองซื้อซื้อไปทําไม เก็บเงินทองไว้ดีกว่าให้เรามีความสบายใจเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะต้องมีอะไรต้องใช้แบบกระทนหันขึ้นมาอาจจะมีเหตุการณ์มีอุบัติเหตุมีอะไรน้ำท่วมบ้านก็ต้องซ่อมบ้านครับไฟไหม้บ้านหรืออุบัติภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องใช้เงินทองมามาซ่อมแซมบ้านมาทำอะไรกัน ถ้าไม่มีเงินจะทำยังไงก็เดือดร้อนเสื้อผ้าก็ถูกไฟไหม้ไปหมดนี่นี่คือการที่เราจะลดความไม่สบายใจได้วิธีแรกก็คือนีให้เรารู้จักใช้เงินทองในการเลี้ยงดูร่างกายแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบมากน้อยสันโดษ ถ้าไม่รู้ว่ามากน้อยสันโดษไปยังไงก็ดูของพระเป็นตัวอย่างผ้าก็เอาผ้าที่ถูกที่สุดคือผ้าฟรีเนี่ยแล้วก็มาตัดเย็บกันเองเนี่ยพระสมัยก่อนนี่ท่านตัดเย็บจีวรกันเองสมัยนี้ก็ยังทำกันอยู่ถ้าเป็นผ้าป่า น, นี่ท่านยังจะรักษาธรรมเนียมตัดเย็บจีวรของท่านอยู่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไปซื้อผ้าที่เขาตัดทาสาเร็จรูปแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีญาติโยมมาถวายก็สามารถพึ่งตนเองได้ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วเอามาสะสมไว้มาตัดมาเย็บแล้วก็มีไม่มากมีแค่เท่าที่ต้องการนั้นก็คือหนึ่งชุดก็พอทำไมภ้าต้องการมีน้อยๆเพราะภาพปฏิบัติภาพ ป, ป่านี้สมัยก่อนนี้ท่านเป็นภาพ ป, ป่าภาพ ป, ปฏิบัติท่านต้องการไปหาที่สงบท่านจะชอบเดิน ท่องทุดงเราจะไปทุดงเนี่ยเวลาเดินทางถ้ามีมีผ้าเยอะๆต้องแบกไปมันก็เหนื่อยหนักพลุงพลังท่านก็เลยต้องมีน้อยที่สุดก็มีเพียงหนึ่งชุดก็พอแล้วก็มีบาตใบหนึ่งไว้สําหรับเป็นเครื่องมือหากินนแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางไปในตัวเวลาเดินทุดงก็เอา สัมภาระที่มีอยู่นี่ใส่เข้าไปในบาทส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ใส่ไปในย่ามพอแล้วมีสองใบนี่ก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้แล้วเดินทุดดงได้แล้วแล้วก็มีกรดไว้มีล่มเรียกว่ากรดเป็นเหมือนหลังคาบ้านเแล้วก็มีมุง้งควยครอบเป็นเหมือนฝาบ้านเนยก็มีบ้านติดตัวไปได้แล้วเนี่ยมีปัจจัยสี่ไปอย่างสบายแล้วเอ แล้วก็ยารักษาโรคท่านก็ใช้ใช้ดื่มน้ำปัสสาวะถ้าเวลาไม่มียาก็ดื่มน้ำปัสสาวะไปยาดองน้ํามูดนี่ก็พอแล้วเนี่ยนี่คือความมากน้อยสันโดษของของนักบวชของพระเราไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะเอาเพียงแต่ให้มันคล้ายๆกันบ้างก็พอยาก็แบบรักษาสามสิบบาททุกโรค ก, ก็ได้ ไม่ต้องไปรักษาคือเราสามหมื่นในโรงพยาบาลเอกชนนะถ้ามันหายมันก็หายเหมือนกันนะถ้ามันตายมันก็ตายเหมือนกันนะนี่พูดถึงเพื่อลดภาระกดดันทางจิตใจ ไม้จิตใจต้องเครียดกับการหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายคนเราไม่รู้เ น, นี่ยบางทีเกิดมาเกิดมาอยู่กับสังคมที่เขาต้องใช้เงินมากๆเลี้ยงดูร่างกายก็เลยคิดว่าต้องมีเงินมากๆถึงจะเลี้ยงดูร่างกายได้แต่ถ้าลองไปอยู่ในสังคมของคนยากจนดูเขาไม่ต้องมีเงินมากเขาก็อยู่ได้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่เนี่ยเขาไม่ต้องมีอะไรมากแต่คนในเมืองนี้รู้สึกต้องมีเงินมากถึงจะเลี้ยงดูร่างกายได้ มันก็เลยคนในเมืองนี้เครียดกับคนชนบทนะคนชนบทจิตใจเขาสบายเขาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ถึงแม้เขาจะไม่มีอะไรมากมายเหมือนกับคนในเมืองแต่เขาไม่มีความเครียดเหมือนกับคนในเมืองเขาเครียดกันนี่แหละคือการดำเนินชีวิตเป็นเหตุที่จะทำให้ใจเราทุกข์มากหรือทุกข์น้อยถ้าเราดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ใจเราก็จะทุกน้อยถ้าเราดําเนินชีวิตแบบหรูหราแบบฟุฟ้งฟาเนี่ยใจเราจะทุกข์มากเพราะมันจะต้องคอยดิ้นรนหาเงินหาทองแล้วถ้าไปดิ้นหาเงินแบบเงินเดือ น, น, นไม่พอใช้เป็นไงต้องไปปล้นร้านทองใช่ไหแล้วเป็นไงก็ถูกตํารวจจับเข้าคุกเข้าตารางไปอะยรต้องไปอยู่กินฟรีกินฟรีอยู่นิฟรีในคุกในตารางแทน นี่และเรื่องของการไม่รู้จักเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ไม่มากระทบกับจิตใจของพวกเราเลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพตามฐานะของเรามีรายได้มากน้อยก็ใช้ไปในขอบเขตของรายได้ที่เราหามาได้ใช้มันให้พยายามใช้ให้มันน้อยกว่ารายได้ให้รายจ่ายมันน้อยกว่ารายได้แล้วเราจะได้ไม่เครียด ที่เคียดเพราะมันรายจ่ายมันมากกว่ารายได้จะไปหาที่ไหนมาเปะบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ยืมสินอะลยกลับไปเพิ่มนี่สินขึ้นมาอีกไม่ใชแ่แทนที่จะทำให้นี่สินลดน้อยลงกลับไปเพิ่มนี่สินไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อ ม, มาใช้นี่สินมันบ้าเปล่าใช่ไหมก็ต้องเลิกลดการใช้จ่ายให้มันน้อยลงเสิเมื่อรายรายจ่ายมันมากก็ต้องลดรายจ่ายให้มันน้อยลง ให้มันต่มกว่ารายรับเนี่ยถ้ารายรายจ่ายต่ำกว่ารายรับแล้วมันก็จะมีเหลือเก็บมีเหลือไว้เก็บไว้ใช้เผื่อในวันจําเป็นขาดแคนอะไรก็ยังมีใช้ได้นี่คือเรื่องของการมารักษาใจในเรื่องร ะ, ระดับพื้นฐานคือระดับเลี้ยงปากเลี้ยงทองพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราใช้หลักของความมากน้อยสันโดษ ใช้แบบประหยัดแต่พอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายให้มันน้อยกว่าที่มันต้องการไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีประหยัดแบบแตันีก็ไม่ดีประหยัดแบบนล้วไปทำให้เกิดผลกระทบทำให้ร่างกายไม่สบายก็ไม่ดีบางคนกลัวจะเงินหมดก็เลยพยายามใช้น้อยๆ น, น้อยจน ก, กระทั่งแมแ้การเลี้ยงดูร่างกายก็น้อยเกินไป ก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ก็น้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายแล้วก็พอดีกับรายรายรับของเราด้วยให้รายรับของเรานี้มีมากกว่ารายจ่ายแล้วความไม่สบายใจที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายมันก็จะไม่เกิดขึ้นมา นี่คือวิธีหนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามารักษาใจดูแลจิตใจของเราโดยการเลี้ยงดูร่างกายแบบมากน้อยสันโดษแล้ววิธีที่2ที่จะป้องกันความไม่สบายใจให้เกิดขึ้นกับใจก็คือให้เราละ ก, การกระทําบาปและการเสพประบายอายมุขเนี่ยเพราะการเสพประบายยมุขจะพาให้เราไปทําบาป พอทำบาปแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นม า, เ, าเวลาเราไม่ทำบาปกับเวลาเราทำบาปสังเกตดูใจของเราว่าอย่างไหนเป็นอย่างไรเวลาทำบาปเราสบายใจไหมเวลาไปโกหกใครเราสบายใจไหม เ, ไหวเวลาไปหลอกลวงใครเวลาไปรักขโมยข้าวของของใครมาแล้วสบายใจไหมไม่สบายแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำบาปเรารู้สึกเฉยเฉยสบายไม่เดือดร้อน แล้วทำไมคนเราต้องไปทำบาปด้วยเพราะส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยใช้เงินมากกว่าหาได้ถ้าไปใช้กับพวกอาบายามุขนี่มันจะดูดเงินทองของเราไปไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยถ้าไปเล่นการพนันเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปดื่มสุรายามเมาไปเที่ยวเต่มันไม่มีรายได้ก็พวกนี้มีแต่รายจ่ายใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวก็หมด หมดแล้วไม่มีใช้ทำไงก็ไปลักขโมยไปป้นไปจี้แล้วก็ไปสร้างความทุกข์ใจให้กับใจถึงแม้ไม่ถูกจับไปลงโทษใจก็ไม่สบายต้องมีความหวาดระแวงอยู่เรื่อยๆว่ามีใครเห็นมีใครรู้หรือเปล่ามีใครมาตามจับหรือเปล่า ถ้าไม่อยากจะให้มีความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าไปเสพอบายามุกยอย่าไปดื่มสวลายาเมาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตะเพราะมันจะดูดทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้หมดไปแล้วมันจะทําให้เราต้องไปทําบาปเพื่อหาทรัพย์มาใช้ต่อไปนั่นเองถ้าเราไม่เสพอบายามุเกเงินทองก็จะไม่สูญหายรายได้ที่เราได้มาก็จะมีเก็บไว้ เอาไว้ใช้กับเลี้ยงดูร่างกายซึ่งไม่มากถ้าเราเลี้ยงดูร่างกายแบบแบบมากน้อยสันโดษนี่เราจะมีเงินทองเหนือใช้เราก็จะสบายใจมีความมั่นใจว่าเราจะไม่อดอยากขาดแคนเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบกับร่างกายของเราเพราะเรามีเงินสำรองไว้ดูแลร่างกายต่อไปนี่คือข้อที่สอง ในการรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ให้ใจเราสบายอย่าไปทําบาปบาปนี้เป็นเหมือนไฟอย่าไปเล่นกับไฟอย่าเอาไฟมาเผาร่างกายเราเราไม่เอาไฟมาเผาร่างกายเราเพราะเรารู้ว่าเวลาโดนไฟไหม้มันเป็นยังไงชั้นใดบาปก็เป็นเหมือนไฟที่จะมาเผาใจของเรา เวลาทำบาปปั๊บเหมือนจุดไฟไว้ในใจเลยใจจะร้อนขึ้นมาทันทีสังเกตดูเวลาทำบาปใจจะร้อนขึ้นมาใจจะมีความรู้สึกไม่สบายวุ่นวายใจแต่ถ้าเราห้ามใจได้ถ้ายังห้ามไม่ได้ก็ไปห้ามที่กายก่อนก็ได้ด้วยการสมาทานศีล น, นักษาศีลห้าไปเช่นต่อไปนี้ตั้งสัจจะว่า ต่อไปนี้จะไม่ทําบาปห้าข้อคือไม่ดื่มไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายา่เมาต้องท่องไว้ทุกวันเดี๋ยวลืมนะถือศีลไปขอสมาทานศีลวันพระแล้วกลับมาบ้านเดี๋ยวก็ลืมนะที่ทําัำที่รักษาศีลไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะลืมเพราะไม่พยายามจํากันไว้นั่นเอง พอถึงเวลาทําบาป ก, ก็เหลืองเราเฮ้ยวันนี้เราถือศีลเรารักษาเราสมาทานศีลไว้เอแต่ถ้าเราคอยท่องอยู่เรื่อยๆคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรารักษาศีลอยู่นะเราฆ่าสัตว์ไม่ได้นะพอจะตบยุงปับ๊บเฮ้ยตบไม่ได้นะเไล่มันไปได้แต่อย่าไปตีมันอย่าไปฆ่ามันแต่ต้องแล้วพอสมาทานศีลแล้วก็ต้องคอยคอยทําการบ้าน คอยคิดอยู่เรื่อยๆคอยนึกอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังรักษาศีลอยู่ถ้าเราอยากจะมีความสบายใจถ้าเราอยากจะไม่ให้เกิดความไม่สบายใจเราอย่าไปทำบาปอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดโกโหกหลอกลวงอย่าดื่มสุรายาเมาเพราะเวลาดื่มแล้วมันจะไม่มีสติความจามันจะลืม แนื้เวลาจะคิดทำบาปมันจะทำทันทีแต่ถ้าเราไม่ดื่มสุราเราจะมีสติเราจะมีความจำได้ว่าอ๋อเราทำบาปไม่ได้เนก็เลยต้องอย่าดื่มสุราการดื่มสุรานี้เป็นการเปิดประตูให้เราไปทำบาปกันนั่นเองถ้าเราไม่ดื่มสุราก็เท่ากับเราปิดประตูบ้านไว้ไม่ให้เราออกไปนอกบ้านไปทำบาปแต่นี่คือ การที่จะรักษาใจของพวกเราให้ไม่ทุกข์ให้มีความสุขก็คือด้วยการไม่ทำบาปแล้วข้อที่สองข้อข้อต่อมาที่พระเจ้าสอนถ้าเราอยากให้ใจของเรามีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำบาปถึงแม้ว่าเราจะมากน้อยสันโดษใช้เงินด้วยความประหยัดมัธยัติไม่ทำบาปไม่มีความทุกข์ใจ แต่เราอาจจะไม่มีความรู้สึกสุขใจกันนอาจจะรู้สึกว่ามันจืดชืดเนี่ยถ้าอยากให้ใจมีชีวิตชีวามีความสุขพระเจ้าเจ้าก็บอกให้ไปทำบุญเนี่ยการทำบุญนี่เป็นเหมือนให้น้ำต้นไม้ต้นไม้เวลาหน้าแรงนี่มันจะรู้สึกมันจะไม่มันไม่สดชื่นเ บ, บิกบานเมันจะรู้สึกเหงาเหงาเศร้า ใจของเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกเหงาเศร้าๆแล้วเราอยากจะมีความสุขท่านบอกว่ า, าไปทำบุญกันทำบุญคือไปทำความดีกันไปทำประโยชน์ไปช่วยผู้อื่นให้เขามีความสุขหรือช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นพอเราได้เห็นการกระทำของเราทามีผลทำให้ชีวิตของคนอื่นเขามีความสุขมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมา การทำบุญก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองเป็นอย่างเดียวการจะทำให้คนอื่นเขามีประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้ความสุขจากการกระทำของเรานี้มีหลายทางการมีเงินก็การใช้เงินทองก็เป็นทางหนึ่งเขาขาดแคนอะไรก็ไปซื้อข้าวของที่เขาขาดแคนเช่นเขาขาดข้าวขาดอาหารขาดเสื้อผ้าเราก็ไปซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้ามาให้เขาใช้ มันก็จะทําให้เขามีความสุขขึ้นมาพอเราเห็นเขามีความสุขเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมานะงชีวิตจะมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นเขาขาดแคลนอะไรพอเราจะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนได้ก็ทําไปโดยถ้าเขาไม่ขาดแคลนแต่อยากจะให้เขามีความสุขก็ทําได้เช่นวันเกิดเขาเราก็ซื้อขนมเค้กไปให้เขาซื้อของขวัญไปให้เขา เขาพอเก็เห็นของเขาได้ของก็ดีใจกอดเรายิ้มแย้มเราก็ดีใจไปกับเขาที่ทำให้เขามีความสุขนี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับใจคือให้สร้างความสุขด้วยการทำประโยชน์ทำความสุขให้กับผู้อื่นอย่าทำประโยชน์สุขให้กับตัวเราเช่นไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ไปซื้อลองเท้าคู่ใหม่มันสุขไม่เหมือนกันนะมันสุขแบบเดียวเดียว ซื้อเวลาซื้อมาปั๊บก็ดีใจเดียวเดียวทั้งแต่มันจะไม่รู้สึกเหมือนกับเวลาที่เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะมันทำให้เราทุกครั้งที่เราคิดถึงมันเราก็ยังมีความสุขมีความสบายใจแล้วมันไม่มีพิษตามมาเหมือนกับไปซื้อของให้กับเราเองพอซื้อให้กับเราแล้วมันจะติดเดี๋ยวก็อยากซื้ออีกแล้วพอไม่ได้ซื้อก็จะรู้สึกหดหยิดดําคาญใจขึ้นมา แต่เราไปซื้อของให้คนอื่นเนียว่าถ้าต่อไปเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหียดอะไรเพราะเราไม่ได้ทําด้วยความอยากเราทําด้วยความเมตตาเราทําด้วยความสงสารมันต่างกันการสร้างความสุขแบบด้วยความเมตตากับสร้างความสุขด้วยความอยากมันต่างกันสร้างความสุขด้วยความอยากความอยากมันจะกลับมาคอยบีบเราให้ไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆ ซื้อรองเท้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกไปซื้อกระเป๋าต่อซื้อนู่นซื้อนี่ต่อไปมันจะอยากอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีเงินซื้อมันก็จะหมุดหงิดนาขานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเราไปช่วยคนอื่นด้วยความสงสารด้วยความเมตตาถึงแม้จะซื้อของก็ซื้อไม่ได้ซื้อให้กับเราซื้อให้กับเขาเขาขาดเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขาใส่ซื้อแบบนี้ไม่ติดไม่มีความอยากซื้อ ซื้อด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตาด้วยความสงสารมันต่างกันความรู้สึกในใจมันต่างกันความสุขใจความเย็นใจความสบายใจก็ต่างกันนี่คือวิธีที่สองที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราให้ความสุขสร้างความสุขให้กับใจคือด้วยการทำบุญ ทำทานสงเคราะห์ผู้อื่นไม่มีเงินทองก็ใช้อย่างอื่นถ้าเรามีวิชาความรู้เราก็สอนให้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้ารู้จักวิธีทำกับข้าวก็สอนคนให้ไปทำกับข้าวเขาก็จะได้รู้จักมีอาชีพไปทำกับข้าวขายได้ถ้ามีวิชาความรู้ทางโรงเรียนเช่นคณิตศาสตร์ก็สอนเด็กสอนพิเศษฟรีไม่เก็บเงินเก็บทอง เด็กก็ได้วิชาความรู้ไปสอบเอ็นทานได้ได้คะแนนดีอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันช่วยให้เขามีความสุขแล้วก็ทําให้เรามีความสุขถ้าไม่มีความรู้เรายังมีร่างกายเรามีเวลาว่างก็อุทิศร่างกายของเรานี้ทํางานให้กับสังคมไปไปช่วยงานมูลนิธติต่างๆไปเป็นอาสาสมัคร หรือบางคนมาวัดก็มาช่วยล้างซ่วมมาช่วยกวาดถูวัดวารามทำความสะอาดใดต่างๆให้กับส่วนรวมทำประโยชน์ให้กับสังคมก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเหมือนกันทำให้ชีชวิตมีชีวิตชีวาขึ้นมาแทนที่จะอยู่เฉยๆ ไม่รู้จะทำอะไรดีไม่มีความสุขไม่ได้ทำบาปแล้วก็จริงมากน้อยสันโดษแล้วก็จริงแต่ยังรู้สึกจือชืด อ, อยู่ถ้าอยากจะให้มันมีชีวิตชีวาให้มันเติมชูรสให้กับชีวิตก็ไปทำบุญกันเนี่นีวิธีที่ที่พระเจ้าสอนต่อมาวิธีขั้นที่สามขั้นสุดท้ายนี้ก็คือวิธีกำจัดความทุกข์ ต, ต่างๆที่เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราการมากน้อยสันโดษนี้ยังไม่ได้ทาลายความอยากในส่วนอื่นนะอาจจะทำลายความอยากในเรื่องปัจจัยสี่การไม่ทำบาปก็จะเป็นการป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปการทำบุญก็จะสร้างความสุขใจให้เกิดขึ้นจากการทำบุญ แต่มันยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการดูแลคือกิเลสของเรามันยังไม่ได้รับการจัดการเราต้องมาจัดการกับกิเลสของเราเพราะกิเลสของเรานี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราการจะทาให้ใจของเราปราศจากกิเลสได้เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมกันเรียกว่ามาชําระจิตใจ เครื่องมือที่จะมาซักฟอกหรือชำระจิตใจล้วเรียกว่าจิตตะภาวนามีอยู่สองระดับด้วยกันสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนานี้เป็นการกบจัดหรือห้ามกิเลส ต, ตัณหาไม่ให้ทํางานชั่วข่าวเวลาเราจเจริญจิตตะสมถภาวนาเรามาควบคุมการกระทำของ กิเลสตันหาให้หยุดกระทำชั่วข่าวด้วยการทำใจให้สงบให้ใจหยุดคิดเพราะว่ากิเลสตัญหานี้จะทำงานได้ต้องอาศัยความคิดก่อนที่จะโลภได้ต้องคิดถึงเรื่องที่จะทำให้เราโลภก่อนพอคิดถึงเงินทองที่จะมาคอยเราปั๊บนี่มันจะโลภอยากได้ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็จะไม่โลภ ถ้าคิดถึงอะไรป้าแล้วเดี๋ยวมันอยากได้ขึ้นมาทันทีเห็นถ้าเราอยากจะหยุดความโลภความอยากไว้ชั่วคราวเรามาฝึกสติกันใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธแข่งกับความคิดถ้าเราพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปความคิดมันก็จะหยุดลงแล้วความอยากความโลภที่เกิดจากความคิดก็จะหายไปชั่วคราวนี่เรียกว่าสมาธิทาจิตให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิด แล้วพอกิเลสหยุดทำงานจิตหยุดทำงานเราก็จะได้เจอความสุขที่มหัศจรรย์ที่มีอยู่ในใจของเราที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการได้เงินทองได้ตำแหน่งได้อะไรต่างๆพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราจะก็จะอยากจะหยุดความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิมา พอจิตเริ่มคิดแล้วเริ่มอยากใหม่ทีแล้วก็ต้องไปขั้นที่สองเรียกว่าขั้นวิปัสสนาคือขั้นสอนใจให้เห็นโทษของการไปทำตามความอยากต่างๆว่าสิ่งที่เราอยากได้นมันเป็นความสุขเดียเด๋ยวๆเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงพอมันสิ้นสุดลงความสุขที่ได้ก็หายไป แล้วความทุกข์ความเศร้าก็จะเข้ามาแมทนที่ถ้าเราไม่อยากจะพบกับความทุกข์พบกับความเศร้าก็อย่าไปหาความสุขอย่าไปทำตามความอยากอยากได้เงินทองก็อย่าไปอยากได้ตำแหน่งก็อย่าไปหามาได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญไปหมดไปอยากไปเที่ยวก็เหมือนกัน เที่ยวปั๊บเดี๋ยวความสุขที่ได้มันก็หมดไปเพราะกลับมามันก็เหงาเหมือนเดิมสู้กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่าอทําใจให้สงบพอเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะไม่มาลบกวนใจเราไม่มาคอยสร้างความหงุดหงิดําคาญใจไม่มาสร้างความเหงาความว่าเหว สร้างความซึมเศร้าต่างๆเนอาการเหล่า น, นี้เกิดจากความอยากของใจเราที่อยากแล้วมันไม่ได้ทำอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวมันก็รู้สึกเงารู้สึกว้าเวขึ้นมา อยากให้คนอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนพอไม่ได้ก็เสียอกเสียใจพอต้องอยู่คนเดียวก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ไม่มีความอยากอาการต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสุขที่เหนือวกว่าความสุขทั้งปวงแล้วเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรอีกต่อไปก็ได้ใรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียอกเสียใจ เพราะจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปนั่นเองนี่คือขั้นที่สองคือขั้นปัญญาวิปัสสนาสอนใจให้ฉลาดอย่าไม่ให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลองเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปพอเราฉลาดรู้ทันปับ๊บพออยากปับ๊บเราบอกไม่เอาดีกว่าะดีกว่ามาบนที่หลังลูกงี้ไม่เอาดีกว่าต้องรู้ก่อน จะได้ไม่มาทุกข์ในภายหลังส่วนใหญ่มักจะมาทุกข์ในภายหลังมารู้ในตอนหลังว่ารู้อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมมันต้องรู้ล่วงหน้าก่อนสิมันจะได้ไม่เอาเราต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันหมดไม่ได้ห้ามมันไม่ให้จากเราไปไม่ได้ถึงเวลามันจะจากมันก็ไป ท่านบอกให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังไม่เที่ยงมเมื่อมันไม่เที่ยงก็จะทําให้เราทุกข์ที่เราทุกข์เพราะห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเที่ยงสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็จะได้เลิกทําหามันเลิกอยากได้มันพอไม่มีความอยากในใจใจก็จะไม่มีอะไรมาก่อกวน ใจก็จะมีแต่ความนิ่งสงบไปตลอดนี่แหละเป็นความสุขที่ถาวรของใจที่จะตามมาจากการที่เรามาชำระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามารักษาใจกันรักษาใจให้มีแต่ความสุขกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดเยอะที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการใช้ความมากน้อยสันโดษในการ เลี้ยงชีพให้เราละการกระทำบาปละาการเสพอบายามุกเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วให้เราทำบุญทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพื่อทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วก็ให้เรามาชำระกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ถ้าเราทำได้ครบแล้วรับรองได้ว่าใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้พิสูจน์แล้วใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรันตสาวกทุกองนี่เหมือนกันมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นบรมมะสุขท่านเรียกว่าบรมมะสุขนิพพานังปรมังสุขขังใจที่ได้รับการชาระ ให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาแล้วเรียกว่นนานิพพานนิพพานก็เป็นใจที่มีบร ม, มีสุขเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยเนี่ยใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ยังมีความสุขเหมือนตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆในวันเพ็ญเดือนเดือนหกตอนที่ประทับอยู่ที่โคนต้นโพตอนนี้ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอด จึงทำให้ใจของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราเลยเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับใจอีกต่อไปอ น, นี่คือเรื่องของใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราควรที่จะดูแลรักษากันเอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะหราโสยะธามนีโชติหราโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ าพิวาทานาสีริตะนิจังวุธาปจายโนจตาโรธรร ม, มาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาังนำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะขอหยุดเพราะมีภาร ะ, ะอย่างอื่นต้องทำไม่สะดวกที่จะตอบสะดวกตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ o กเข้ามา460 y o u t u สามร้อยสี่สิบสามวิทยุออนไลน์สิบเก้ารับฟังข้างบนนี้หกสิบคนรวมทั้งหมดแปดร้อยแปดสิบสองคมีคำถามเลยเดี๋ยวรอไมโครโฟนไปก่อนพูดตรงไหนคะตรงนี้พูดตรงตรงตรงัวไม้เลยตัวปุนะ่มนั่นนะตัวกล่ๆงกล่อนั่นพูดใกล้ากลนปายนะเลยใอ่้ใกล้หน่อยดังดังหน่อย ตมามธรรมสการ์เจ้าคะ่ะหลวงพ่อโยมอยากมีคําถามนะเจ้าคะ่ะเวลาจะจะทำสมาธิอะ่ะเจ้าคะ่ะต้องตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนหรือเปล่าเจ้าค่ะว่าจะต้องนั่งกี่นาทีแล้วแต่เราเราเป็นเป็นคนที่ทําอะไรต้องตั้งก็ตั้งถ้าไม่ต้องตั้งก็ไม<ช>่ต้องตั้งเจ้าค่ะแล้วแต่ได้ทั้งสองอย่างเจ้าคะ่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าคะ่ะอคือ สามีกับลูกสาวอยู่ต่างประเทศเจ้าค่ะตอนนี้สามีก็อยากให้ไปที่โ น, โน่นแต่ว่าโยมไม่อยากไปแล้วพอคุยกันเขาก็เหมือนพูดในทํานองว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยไปดูแลเขาแล้วโยมก็มีความรู้สึกผิดเจ้าค่ะ <g ül> <g ül> ก็โยมอยากอยู่ที่นี่บอกเขาแล้วว่าโยมอยากอยู่ที่นี่อยากขึ้นมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเเจ้าค่ะ ก็เลิกกันได้หมดแม่ใช่มเลิกกันก็หมดปัญหาไหมต้องใส่เขาอยู่จบค่ะก็ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ทำแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าทำตามใจเขาเราก็ไม่สบายใจถ้าเราสบายใจเขาก็ไม่สบายใจเราจะเอาแบบไหนดีล่ะ เจ้าค <c oughs> <imas> <an ew> <station> ่ะก็มีแบบที่สบายใจทั้งสองฝ่ายก็เลิกกันไปเจ้าค่ะเขาก็ทําตามใจเขาเราก็ทําตามใจเราเจ้าค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะภยมใจโยมอยากจะอยากจะบวชชีเจ้าค่ะอืยมขออนุญาตสามีว่าช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยช่วงที่เขาไม่อยู่น่าจะประมาณสามเดือนเนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากมีอยากจะบวชชีค่ะ แล้วบอกเขาว่าจะบวชแบบโกนหัวเลยนะเจ้าค่ะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโน no เขาบอกเขาไม่ยอ ม, อมแล้วยมก็คิดว่าถ้าโยมจะดื้อรั้นไปบวชเนี่ยมันจะมันจะก็นะโยมก็รู้มันมีปัญหาอยู่แล้วถ้าอยากจะไม่มีปัญหาก็เลิกกันไปแล้วทีโยมจะไปบวชกี่ปีก็ไม่มีใครก็่าวอะไรเจ้าค่ะตอนนี้โยมยังเป็นเหมือนทาสอยู่เข้าใจไหะเป็นทาสของสามีเจ้าค่ะ นั่สามีเขาเป็นเหมือนเจ้านายเราใช่ไหมเราจะทำํำอะไรเราต้องขออนุญาตเจ้านายก่อนเจ้าค่ะนี่ถ้าเจ้านายไม่อนุญาตเราก็ทําไม่ได้เจ้าค่ะถ้าทำได้ถ้าเราทําก็ถือว่าเราขัดคืนคําสั่งเจ้านายเจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้านายเขาก็บอกนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าเจ้าค่ะนั่นโยมก็ต้องชั่งน้ําหนักดู ว, ว่ายมอันไหนจะสําคัญกว่ากันการได้ทําตามใจเรากับการที่ ทำตามใจเขาแล้วให้เขามีความสุขอันไหนมันสำคัญกว่ากันเจ้าค่ ะ, ะคือมันจะไปมันจะไปพร้อมๆกันสองทางไม่ได้ไใช่ไหมใช่คะเช่นไปถึงสี่แยกโยมต้องเลือกเราจะเลีเเล้ยวซ้ายดีเลี้ยวขวาดีเรีอเดินตรงไปดีใช่ค่ะจะไปทั้งสามทางพร้อมๆกันไปไม่ได้หรอเจ้าค่ะเพราะทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจโยมก็คือ มาฟังธรรมท่านทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ถือศีลห้าอยู่บ้านเจ้าค่ะไปอยู่กับเขาที่เมืองนอกก็ฟังได้เนี่ยไปถึงเมืองนอกเลยไม่อยากไปเจ้าค่ะไม่อยากไปเลยเจ้าค่ะเบื่อเมืองนอกค่ะเบื่อแล้วเป็นแต่งานของผมไปเลยไม่ไม่อยากไปเจ้าค่ะไม่อยากติดตามพอลูกโตแล้วก็ตอนนี้ลูกไปอยู่ออสเตรเลียเจ้าค่ะเขาไปเรียนก็ยมก็ไม่อยากจะไปอยู่กับสามีเลยเจ้าค่ะ ก็ต้องีแบบเกินไม่เข้าใครเมื่อออกนี้นะนะก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วไปเจ้าค่ะอยากจะถามอะไรเปล่าอย่ายอาคำถามของคนอืนมาถามลงเลยคำถามของโยมเองค่ะเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ค่ะหลวงพ่อลมลมมันเย็นเย็นตอนที่เดินจงกรมอยู่ค่ะแล้วยมก็ก็นึกถึงอาทิต์ตะปรายาสูตรขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ ทีนี้มันไม่ได้เป็นลมเย็นๆแล้วมันเป็นเหมือนไอกระแสไออะไรเย็นๆเข้เขามาแต่ว่ามันไม่ได้รับรู้ทางทางผิวหนังโยมควรที่จะตัดสภาวะนั้นออกไปด้วยนะรับรับรู้ ไ, ไปเฉยๆไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปไล่มัน ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะให้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่เขาจะเกิดเขาจะมาก็แล้วแต่เราเราสั่งเขาได้หรือเปล่าพิจารณาตายรักแล้วมันก็รู้ว่าสั่งไม่ได้มันไม่เที่ยงมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปอก็ให้มันรู้มันมาก็ต้อนรับมันมันไม่มาก็อย่าไปโหวยหัวหามันเพราะนั่นเป็นกิเลสและเป็นความอยากขึ้นมาแล้ว เป็นความทุกข์แล้วเวลามันไม่มาเวลามาก็สุกเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาอีกค่ะยันอย่าไปยินดียินไล่กับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมาก็ปล่อยมันมาอะไรจะไปก็ปล่อยมันไปเรามีหน้าที่รับรู้เพียงอย่างเดียวนั่นคือธรรมารมอย่างหนึ่งนะคะจะชื่อมันอะไรช่างมันเนะียขอให้มันรู้ว่ามันก่อนแล้วก็ดับก็แล้วกันค่ะอขอบพระคุณนะคะ ข้างหลังมีเชิารย์กลามนัษการพระอาจารย์ค่ ะ, ะอขอกาบเรียนถามการปฏิบัติในวละสุดท้ายของจิตที่เราใกล้จะล่างเนี่ยค่ะจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าในขณะนั้นน่าจะเกิดเวทนามากๆเจ้าค่ะก็ให้มันสงบ การจะทำให้จิตให้สงบก็ต้องมีสติเป็นหลักสติเกิดจากการสวดมนต์เกิดจากบริกรรมพุทโธในเวลาเราใกล้าตายเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปหรือถ้าจะให้มันสงบอีกระดับหนึ่งระดับปัญญาก็ปร่งไปว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายมันจะหมดลมก็ปล่อยมันหมดลมไปเราเป็นเจ้าของมัน เราก็ดูมันไปเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นใจใจมีหน้าที่ดูก็ดูไปดูว่าร่างกายตอนนี้ยังหายใจอยู่หรือไม่หายใจก็หายใจอยู่เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปยุ่งกับร่างกายแล้วใจก็จะสงบแล้วก็จะไปสุขติได้สาสอ ง, ส, องสามวิธีนี้สวดมนต์ก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ หรือคิดทางปัญญาได้ก็คิดทางปัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวเราก็กมันต้องแยกทางกันแล้วเราห้ามมันไม่ได้มันจะตายเราหยุดมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปแล้วก็หรือถ้าไม่ได้ถ้าพุโทโธไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ก็เปิดธรรมะที่ที่เทศฟังไปอาศัยธรรมะนี้สอนใจไปก็ได้หาธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องการ ปล่อยวางร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายให้พิจารณาด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาอย่าไปฝืนมันฝืนแล้วใจจะเครียดใจจะวุ่นวายแล้วจะไม่สงบแล้วจะไม่ไปสุขคติพอทำได้ไหมต้องทาต้องหัดทำเทอนตอนนี้ พราะถ้าไปทำตอนที่เจอความเจ็บแล้วมันทาไม่ได้ทาได้เจา้า่ะเพราะปกติก็ปฏิบัติอยู่จ<ะ>้้ปฏิบัติเวลาก็โอเคเหมือนทำการบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าห้องสอบจะได้ทำข้อสอบได้ถ้าเราไม่ทำการบ้านไว้เดี๋ยวเข้าห้องสอบทำไม่ได้พะงั้นพยายามทำไว้เนี่ยทำพุทโธเจริญสติเจริญปัญญารัากษาใจให้สงบ แล้วเวลาเกิดเวลาทํข้อสอบก็ยัยทาได้อย่างสบายพาใจแล้วนะโอเคคำถามจากคุณคุณเดลต้านั่งภาวนาตอนนี้นิ่งสงบว่างเบาสบายและมีความสุขใจเย็นเหมือนอยู่ในอากาศหนาวติดลบแต่หลังๆหนึ่งถึงสองสัปดาห์ เมื่อออกมาจากนั่งสมาธิก็นิ่งๆเฉยๆรู้สึกใจไม่นึกไม่คิดอะไรแบบนี้ควรทําอย่างไรต่อไปครับก็ดีก็ให้มันไม่นึกไม่คิดไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ถ้ามันนึกมืนคิดก็หยุดมันมแสดงว่าอิทธิพลของสมาธิยังตกค้างอยู่ในใจออกมาจิตก็ยังสงบต่อได้ถ้าเราปฏิบัติมากๆต่อไปเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะสงบไปได้อีกระยะหนึ่ง เหมือนกับน้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยเวลาแช่ในตู้เย็นนานๆออกมานี่มันก็ยังเย็นต่อไปได้อีกระยะหนึ่งพอมันหายเย็นเราก็กลับเข้าไปแช่ใหม่พอจิตมันไม่สงบแล้วเริ่มคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็นั่งสมาธิใหม่เอาจิตเข้าไปในสมาธิใหม่เพื่อให้มันเย็นให้มันสบายใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไป อ, ออกมาถ้ามันยังเย็นอยู่ยังสบายอยู่ก็พยายามรักษามัน ด้วยสติถ้ารักษาไม่ได้ก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่คำถามจากคุณนิชาครั้งหนึ่งในขณะนั่งสมาธิมีอาการปวดมากๆขณะตามดูตามรู้จิตก็พิจารณาของมันเองปล่อยความยึดกายออกมองว่ามัน กายที่ปวดจิตไม่ปวดแยกกันเห็นกายปวดขึ้นเรื่อยๆแต่จิตไม่ร้อนรนไม่อยากให้มันหายปวดเมื่อการปวดมากเข้าแล้วทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งมืดแบบบูบตกลงไปในท่อความเจ็บปวดหายไปแล้วเหมือนโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์สว่างและนิ่งอยู่แบบนั้นจนกระทั่งนาฬิกาก็ดังและความเจ็บปวดก็กลับขึ้นมาอีกกราบเรียนถามว่าควรทำเช่นไรต่อไปเจ้าคะ่ะ ก็ควรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่เจอกับความเจ็บปวดปล่อยวางความเจ็บปวดอย่าไปอยากให้มันหายใจเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะปลอดภัยจากความเจ็บปวดของร่างกายฝึกทำบ่อยๆให้มันชำนาญต่อไปเวลาเราเจอข้อสอบคือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวด่วยเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณปฐมพงษ์ การปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอาหารหันต์กับการปฏิบัติธรรมเพื่อพุทธภูมิแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับไม่ต่างกันเลยถึงนิพพานเหมือนกันพุทธภูมินี้เกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนทางนั่นเองส่วนการปฏิบัติที่เป็นพระอาหารหันต์นี้ซร ง, ง่ายกว่าเพราะมีคนนาทางมีคนบอกทางคือพระพุทธเจ้า แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนามาบอกทางเราก็ต้องคำทางไปเองถ้าเราไปถึงเป้าหมายเราก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านั้นนีนจุดหมายปลายทางกันเดียวกันเหมือนไปเชียงใหม่เนี่ยจะไปแบบมีรถนำขบวนหรือไปแบบต้องขับรถไปเองเนี่ยมันก็ยากง่ายต่างกันถ้ามีรถขบวนมีรถตำรวจนำทางนี่สบายฮะไฟเขียวตลอดเนี่ย แต่ถ้าไปเองนี่เดี๋ยวก็ติดไฟดงไฟแดง ต, ดติดนู่นติดนี่กว่าจะไปถึงก็ลาชาวกว่านานกว่าแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไปก็ไปถึงที่เดียวกันพระพุทธเจ้าก็ไปนิพพานพระหลานตัสสา ว, วก็ไปนิพพานไม่มีความแตกต่างกันตรงนั้นคําถามจากคุณชรินทิพย์ จิตละเอียดคือการภาวนาโดยไม่คิดอะไรหรือต้องทําอย่างไรเจ้าคะใช่เวลาจิตคิดมากมันจะทําให้จิตหยาบถ้าจิตหยุดคิดจิตมันก็จะละเอียดเหมือนกระดาษทรายไหมกระดาษทรายถ้ามันมีผิวหยาบมันก็หยาบมีทรายมากมันก็หยาบมีทรายน้อยมันก็ละเอียดนความคิดก็นเนี่แหละเป็นตัวทำให้จิตหยาบด้วยจิตละเอียด ถ้าคิดมากคิดฟุง้งซ่านมากมันก็หยาบถ้าคิดน้อยไม่คิดเลยมันก็ละเอียดคำถามจากผู้ฝากถามทำรายการที่เกี่ยวกับอาหารเชิญชวนและแนะนำคนให้ไปทานร้านอาหารต่างๆและมีการโชว์ทานอาหารให้ผู้ชมอยากทานตามหรือมีการจับ หมูเห็ดเป็ดไก่โชว์มาให้ผู้ชมเห็นและอยากไปทานตามเจ้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นบาปไหมเจ้าค่ะก็ถ้าเราเป็นเห็ดเป็ดไก่บ้่งจะเป็นรู้สึกง่ายถ้าก็มาชวนให้ามากินตัวเราบ้างนี่แะเราจะรู้สึกยังไงลองย้อนกลับดูก็แล้วกันนึกภาพว่าถ้าเกิดเราต้องไปเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็จับเรามาโชว์ให้มากินตัวนี้ไหมนี่แล้วเราจะรู้สึกยังไงถึงจะรู้ว่าบาปไม่บาปเป็นยังไง สุขทุกข์เป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นเขาแต่ถ้าเราลองไปเป็นเขาดูแล้วเราอยากจะให้คนเข้ามาทํารายการแบบนี้กับเราหรือไม่คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเด็กที่พาคลอดมาตรงกับวันทอดกรถิ่นวัดป่าบ้านตาดและตรงกับเวลาที่หลวงตาละสังขาร อาจจะเป็นไปได้ไหมครับที่คนที่เคารพหลวงตาจะมาเกิดหรือเป็นเหตุบังเอิญครับอมีคนเกิดทุกวันเนี่ยวันนี้ก็มีคนเกิดไม่ใช่จะมีเฉพาะเกิดวันนั้นวันเดียวอถ้าเกิดวันนั้นวันเดียวก็ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆแต่นี้มันมีเกิดทุกวันวันละไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนมันมีเกิดทั่วโลกไปหมดน้นเหตุการณ์ต่างๆมันมาเจอกันเพราะมัน มันเป็นเรื่องธรรมดามันมีวันจํากัดปีหนึ่งมันก็มีสาม้อยหกสิบห้าวันแล้วมันมีคนมาแย่งกันเกิดอยู่มันก็ต้องมาเกิดวันใดวันหนึ่งฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญอะไรไม่มีนิมิตหมายอันดีอันใดตรงไหนหรอกเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่จะมีมีการมาเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเท่านั้นเองเนี่ยตอนนี้พูดอยู่้วเนี่ยมีทั้งคนเกิดมีทั้งคนตายใช่ไหม คนที่มาเกิดอาจจะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปก็ได้คนที่ตายไปวันนี้ก็อาจจะเป็นมหาเศรษฐีที่ตายไปก็มีเพราะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติของโลกมันมีเหตุการณ์ต่างๆปรากฏขึ้นวันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเหตุการณ์ในโลกนี้มันไม่มีวันหยุดเพราะโลกมันหมุนโลกมันหมุนแนละ้วมันก็มีกลังวันอยู่ทุกแห่งทุกคน มันตอนนี้เป็นกลางวันที่นี่เดี๋ยวพอที่นี่เป็นกลางคืนมันก็เป็นกลางวันที่อื่นพอเป็นกลางวันที่อื่นก็มีคนตื่นขึ้ น, นมามีคนมาทำอะไรต่างๆกับในกับที่เราทํากันอยู่ตอนนี้นั้นมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกนี้ไม่ต้องไป สนใจสนใจอย่างเดียวว่าทํายังไงให้ใจเราไม่ทุกข์ทำใจให้เราสบายเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มาทําให้เราทุกข์หรือให้เราไม่สบายใจเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือการทําบาปของเราการแกงกินอยู่แบบฟุ่มเฟือยมันจะทําให้เราไม่สบายใจต่อไปพอไม่มีเงินที่จะมาใช้แบบฟุ่มเฟือยมันก็จะทุกข์ การทำบาปก็ทุกการมีความอยากก็ทุกอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพอเขาไม่เป็นก็ทุกอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็ทุกเนี่ยมาดูเรื่องนี้ดีกว่าดูเรื่องของความอยากดีกว่าหยุดมันดีกว่าแล้วเราจะได้สบายใจ ไม่ต้องไปแรงว่าวันนี้เป็นวันตายของหนวงตาเป็นวันทอดกรถินต้องบังคับให้ภรรยาคลอดลูกออกมาให้ได้วันนี้จะได้เป็นมงคลมันไม่เป็นหรอก <c oughs> บางคนต้องไปผ่าท้องเห็นไหมสมัยนี้เลือกวันเกิดกันเออไปถามหมอดูก่อนหมอวันเกิดเดือนไหนดี ว, นวันที่เท่าไหร่ดี พอได้วันเกิดแล้วทีนี้ก็ไปปรึกษากับหมอหมอเป็นไปได้ไมเนี่ยผ่าท้องในวันนั้นเอาลูกออกมาเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติหรอกเนี่ยมันเป็นบ้ามากกว่าคำถามจากผู้ฝากถามครับหากไม่ฆ่าสัตว์ อ่าถ้าหากไม่ได้ฆ่าสัตว์มาขายคนก็จะไม่มีเนื้อสัตว์ ร, รับประทานครับคุณเขาก็หากินได้สมัยก่อนก็ไม่มีร้านค้าเขาก็แคนชาวป่าชาวเขาไปด้วยเขาไม่มีร้านขายไม่มีตลาดค่อยก็มีสัตว์กินกันะเขาเป็นคนล่ากันทั้งนั้นอ่ะคนคนทุกคนก็มีวิธีหากินของเขาแรละถ้าเขาอยากจะกินเนื้อสัตว์ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไปบังค้บเขากินเขาก็ไม่กินเนี มันอยู่ที่ใจคนว่าเคยเคยกินหรือไม่เคยกินเคยชอบกินหรือไม่ไม่ชอบกินมันก็จะทำไปตามนิสัยของเขานั่นแหละคําถามจากคุณพงศ์คนไทยที่เกิดมาในช่วงเวลานี้แล้วได้เจอพระพุทธศาสนาและได้เจอพระอรหันต์ที่สั่งสอนธรรมะถือว่าโชคดีที่สุดและหายากใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเจอแบบไหน ถ้าเจอแบบไก่ได้พลอยก็ถือว่าโชคดนะเจอของดีแล้วยังเขี่ยทิ้งหมดเห็นไหมไก่นี่ยมันไปเจอพลอยเจอเพชรบะนเอาที่ไหนละ่ะมันจะเอาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเนะี่อนที่มาเกิดมาเจอพระอราหันต์เจอพระพุทธศาสนาแต่ยังอยากรวยอยู่นี่ก็เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์ไม่เข้าห า, าศาสนาไม่เข้าหาพระอราหันต์เข้าหาการหาเงินหาทองหาอำนาจกันห ตอนนี้ด่ากันไปด่ากันมาแย่งเก้าอี้กันคนมีเก้าอี้ก็ถูกเขาคอยอย่าคอยสะคอยเด้งคอยถีบ ไอคนมีเก้าอีกา้ก็พยายามผูกตัวเองมัดตัวเองไว้ให้อยู่เก้าอี้เนี่ยทั้งๆอยู่ในแดนของพุทธภูมิเนี่ยเมืองไทยนี่แดนของพุทธภูมิแดนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปอินเดียหรอกเนี่ยประเทศไทยนี่แหละคือแดนของพระพุทธเจ้ามีพุทธศาสนาที่มั่นคงยิ่งกว่าที่ประเทศอินเดียที่ประเทศอินเดียมีแต่ซากของพระพุทธศาสนาเราไปดูศพของาศาสนาพุทธที่อินเดียกันแต่ แต่ตัวศาสนาย้ายย้ายที่อยู่มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยแต่ถ้าเราไม่สนใจกับพุทธศาสนาเรายังมั่วไปหาเงินหาทองหาความสุขทางทางโลกอยู่ก็เท่ากับเป็นเหมือนไก่ได้ปล่อยถือว่าโชคร้ายไม่ใช่โชคดีได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วดันทิ้งลอตเตอรี่ไปมาลู้ทีหลังก็จะเสียใจโอ้ยไม่น่าเลยเรา คำถามจากคุณปุยการสวดมนต์ก่อนนอนทำให้ไม่ฝันหรือเปล่าเจ้าคะไม่เกี่ยวกัละบางทีก็ฝันไม่ฝันมันไม่อยู่ที่การสวดมนต์การสวดมันก็ทำให้ใจสงบอาจจะนอนหลับง่ายเพราะไม่คิดฟุ้งซ่านคำถามจากคุณวัวนตวรรณี ทานอาหารอยู่ควรพิจารณาอาหารอย่างไรเจ้าคาจึงจะทำให้ไม่รู้สึกสงสารสัตว์ที่ทานอยู่หรือควรพิจารณาอย่างไรครับก็พิจารณาว่ามันเป็นดินน้าหนมใสเป็นธาตุ <st it> <st it> เนื้อสัตว์ก็เป็นธาตุทำ ม, มาจากดินน้ำนมใสเนีข้าวก็เป็นธาตุผักก็เป็นธาตุทำมาจากดินน้หนมใสทั้งนั้น แล้วพอให้น้อเป็นธาตุมันก็จะได้ร่างกายที่กินอาหารก็เป็นธาตุเป็นการเติมธาตุเติมธาตุดินธาตุน้ําให้กับร่างกายเพราะในส่วนผสมของอาหารก็จะมีมีทั้งธาตุดินมีทั้งธาตุน้ําแล้วก็มีธาตุไฟคือความร้อนด้วยเอก็คิดอย่างนี้มองให้มันเป็นธาตุไปคําถามจากคุณนายทำอาชีพเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินครับผิดไหมครับ ผิดกฎหมายไม่ใช่เลหัวได้ดีเพราว่าถามอย่างแล้วก็ผิดทางศาสนาก็เพราะเป็นอบายามุกเนี่ยไม่ควรทําอาชีพแบบนี้เพราะว่ามันมีผลมันมีการเสี่ยงมากถ้าเกิด ข, ขายแล้วเกิดคนเขาถูกเยอะๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะต้องหนีนะเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารางวัลเขา่ะเดี๋ยวก็ถูกเขาตามล่าเท่านั้นอนะันนี่คืออาชีพที่ไม่ควรทําผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรม หมดแล้วนะ mm hmm. มีใครอยากจะถามไหมว่มาไงหนูมันเล่ามันเล่าให้ฟังหน่อยไนดะ้ไหมไปรับรางวัลอะไรมา mm hmm. ทำงาว่าทํทำคุณให้กับพระพุทธศาสนาเลย mm hmm. อะไรนะ mm hmm. เทมาราตเนื <c oughs> ่องจากทำอะไร <c oughs> เล่าให้ฟังหน่อยประกาศเกียรติคุณหน่อย ก็เป็นรางวัลที่ช่วยเผยแพร่แล้วก็ เ, เผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ช่วยทานุบำรุงดูลาพระพุทธศาสนาโดยการทำอะไรของหนูบริจาคเงินแล้วว่าทากิจกรรมอะไรหรือเปล่า มีทั้งบริจาคด้วยหนูหนูเป็ น, นกรรมการของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะของของคือสังกัดกระทวระวงวัฒนธรรมของกรมการศาสนาค่ะก็อย่างาล่าสุดที่ทำก็เป็นจัดงานของหลวงปู่มั่นนะคะหนึ่งรอยี่สิบปีชาติกาลหนึ่ร้อยหสิบปีค่ะชาติกาลของหลวงปู่มั่นนะคะ เป็นการทํากิจกรรมส่งเสริมศาสนาใช่ค่ ะ, ะแล้วทางคณะกรรมการนี่เขาก็มอบรางวัลให้ใช่ค่ะกรรมการนี่เป็นของใครทางกรรมการเป็นของมู ล, มลนิธิดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทยค่ะออ่าที่คอยดูผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับศาสนาใช่ค่ะ อย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเลยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องศาสนาจ้าค่ะที่หนูได้รับเป็นสาขาของของพุทธศาสนาค่ะจากเขามีการส่งประวัติไปอะค่ะแล้วก็ผลงานที่ที่ผ่านมาค่ะอย่างมีหนูเป็นกรรมการของมหาวิทยาลัยตุลาราชวิทยาลัยอะค่ะตุลาลงกรราชวิเชร์ค่ะก็ ก็จัดอร า, ายการเสียงทําเสียงทิพย์เป็นรายการที่ที่พูดถึงของพระพุทธศาสนาในในด้านต่างๆค่ะ อ, อะไรก็แต่รางวัล น, นี้นอกจากทางศาสนาเขาก็มีทางอื่นด้วยใช่ไหมใช่จ้ะค่ะเนี่ยสาธุฝ่ายทำความดีต่อไปสาธุจ้ะค่ะนี่แหละเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งออสร้างสร้างกุศลให้ถึงพร้อมและมีความสุขด้วย คามจริงถ้าไม่ได้รางวัลก็มีความสุขอยู่แล้วใช่ไหมไแต่ถ้าได้รางวัลก็ยิ่งมีความสุขใหญ่นะแต่ควรอย่าไปสนใจกับเรื่องรางวัล น, นะเราทําเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นแต่ถ้าเขามีคนก็เห็นว่าเราดีก็อยากจะให้รางวัลเราก็ไม่ขัดข้องแต่เราอย่าไปหวังเพราะผลที่ได้จากการทําความดีมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วคือความสุขใจมีคําถามอีกไหม ยังไม่มีจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามสวดมนประมาณ45นาทีนั่งในท่ า, าพับเพียบเวทนาเกิดแล้วมานั่งสมาธิต่อในท่านั้นครับกำหนดพุทโธผู้ที่ว่าพุทโธคือดวงจิตใช่ไหมครับจิตเป็น ผ, ผู้ที่บริกรรมพุทโธเพื่อจะดึงจิตให้ออกจากร่างกายไม่ให้เป็นสนใจกับเรื่องของร่างกาย เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บเตะร่างกายตายนั่นเองหมดแล้วนะหมดแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนเนอะที่มาพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ